เวันพุธไปกราบหลวงปู่ท่อนวันที่เก้านะฮะมิชัยยึดดีพระอุปถากท่านมาวันนนท์เลยให้ท่านนัดให้วันนั้นพระอุปถากเลยจัดชิวออกไปฉันเช้าแล้วก็รีบกลับมาแต่ท่านกลับวัดท่านไปละกลับเลยไปแล้วน่ารักนะหลวงปู่ท่อน สอนเรื่องมีสตินั่นแหละธรรมะนะถ้าเข้าใจหลักลงมือทําไปแล้วมันจะเป็นอันเดียวกันแหละใครปฏิบัติก็อย่างเดียวกันนั่นแหละก็แค่มีสติรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจไปไม่ยากนะแต่ต้องเป็นเรื่องจริงต้องทําจริงๆทําทำหย่อยๆแยะๆไม่ได้กินหรอกนั้นต้องสู้จริงๆทําทำทำเล่นๆ น, น, นะเสื่อม พอเสื่อมครั้งแล้วครั้งเล่าหมดกําลังใจพอหมดกําลังใจก็ต้องหาอะไรทําเล่นๆไปเรื่อยๆละกระทั้งพระนะพระบวชมาใหม่ๆพรรษาน้อยๆ ย, ยังเที่ยวเล่นเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่รีบภาวนาหรือไม่ไม่ได้เล่าเรียนปริยัตปริยัติก็ยังดีดีกว่าไม่เรียนเลยอยู่ไปเรื่อยๆเล่นๆไปเรื่อยพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยชักยุ่งละ จะต้องหาเครื่องเล่นเครื่องอยู่บางคนก็ต้องไปสร้างพระเครื่องบางคนก็ทํากิจกรรมนว่นกิจกรรมนี้ไปก่นะ อ, สอสร้างอะไรให้มันมีงานทำํำจะได้อยู่ไปวันวันอันนี้ของพระนั่นหมายแต่ของโยมไม่งั้นหรอกของโยมถ้าภาวนาแล้วก็หยุดภาวนาแล้วก็หยุดไม่จะหลงโลกไปแก่ๆ แ, แล้วใจมันก็ดื้อด้านกับธรรมะ ได้ฟังธรรมะอะไรๆ อ, อุ้ยรู้หมดเลยแต่มันล้างกิเลสไม่ได้สักตัวงคล้ายๆเชื้อโลกนี้มันดืออด้อยาดื้อยาเนี้ยไม่ดื้อชาติเดียวชาติต่อไปก็ดื้ออีกเพราะว่ามันเคยดือ้อบางคนมันดื้อมากนะดือ้อครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเปรียบเทียบลูกศิษย์ดือด้อๆบอกสอนยากเหมือนกวายบอกว่าเขียนครกขึ้นภูเขายังง่าย เนี่ยท่านต้องเข็นควายขึ้นภูเขาเนะหนื่อยบอกควายในท้องนานะมันต้องเดินไปหาหญ้ากินนี่หญ้ามาถึงปากควายแล้วต้องอ้อนวอนให้ควายกินอีกนะคือธรรมะมาถึงหูเราแล้วเนีย่ยถ้าให้อ้อนวอนว่าปฏิบัติเธอปฏิบัติเธออะไรเงี้ยมันก็เกินไปหน่อยนะท่านต้องรักตัวเองนะรักตัวเองต้องดูเลยชีวิตเราเต็มไปด้วยความทุกข์ เราจะจมอยู่กับความทุกข์ตลอดชีวิตเหรอเราวิ่งหางความสุขลมๆแรงๆตลอดชีวิตเหรอมันวิ่งไปเรื่อยๆนะในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็กะเรียนหนังสือจบแล้วคงจะดีนะพอเรียนได้ปริญญาอันหนึ่งก็ด็อกเตอร์ถ้าจะดีีนะ้มีงานทำํนะตำตําแหน่งใหญ่ๆรวยๆถ้าจะดีมีแฟนสวยๆหล่อๆถ้าจะดี มีลูกสักสองคนถ้าจะดีอย่างงี้มันกกมีแต่คำว่าท่าถ้าจะดีถ้าจะมีความสุขมีกระทั่งพี่ชายหลวงพ่อนะชวนให้ภาวนายังไม่ภาวนาก็มีความสุขของเขาแหละตอนนี้ถามว่าเอากเกษียณแล้วทําไมไม่ภาวนาล่ะเลี้ยงหลานมีหลานถ้าจะมีความสุขพอเราแก่ลงไปนะ ไม่สบายคนแก่เนี่ยอยู่เฉยๆยังเครียดขัดยอกเยี่ยวตัวผิดยังยอกเลยโอ้มันวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยมันมีความสุขพอต่อมาเจ็บป่วยหนักนะรู้สึกตายจะได้คงมีความสุขทรมานตลอดชีวิตมันคิดแต่ว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขทำนี้แล้วมีความสุขวิ่งหาไปเรื่อยๆหาไม่ได้สักทีงันหยบประมาด ประมาทก็ไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเพื่อปลดเครื่องตัวเองเออกจากกองทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้สอนให้หนีทุกข์แพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หลอกตัวเองคนในโลกชอบหลอกตัวเองชอบหนีทุกข์เช่นคลุ่มใจใมขึ้นมาก็ไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยไปกินเหล้าไปเที่ยวก็วรู้สึกมีความสุขสุขแป บ, บเดียวหลอกตัวเองไปวันวันหนึง่ง ถามว่าขนาไปเที่ยวเพลิดเพลินนั่นน่ะกายนี้ใจนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเอาเข้าจริงก็เป็นทุกข์อีกแหละแต่มองไม่เห็นงั้นต้องอดทนนะฟังธรรมมาแล้วก็คอยมารู้ทุกข์อยู่ที่ไหนรู้ลงไปที่นั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ส si อนให้เราหนีทุกข์ไม่ได้สอนให้เราเลี่ยงทุกข์ไม่ได้สอนให้เราไปดับทุกข์ถ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่จิตคอยรู้อยู่ที่จิตรู้ไปเรื่อยๆ รู้จนใจยอมรับความจริงว่าทั้งกายทั้งจิตนั้นมันตัวทุกขนะ์น่ะตรงที่ยอมรับความจริงเข้าถึงธรรมะลนะยอมใจมันยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้มันทุกข์จริงๆทำให้มันสุขไม่ได้พอปัญญาแจ้งตรงนี้มันจิตมันหมดความยึดถือในใกายในใจหมดแรงดิน้นแต่เดิมดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ตลอดเวลา พอมันเห็นแจ้งในกองทุกข์เห็นแจ้งในกายในใจนี้แจมแจ้งมันจะหมดแรงดิ้นจิตที่รู้จนหมดแรงดิ้นนะจะเข้าถึงสันติสุขสันติสุขหรือสันติเนะี่ยใป็นชื่อของนิพพานสุขที่สูงที่สุดก็เป็นนิพพานนั่นนิพพานจริงๆมันมีสันติสุขในโลกไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพหรอกในโลกไม่มีอิสรภาพไม่มีอะไรสักอย่างที่ดีๆหรอก ในโลกทุกคนทุกแห่งก็มีแต่ความขัดแยง้งแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรเงแย่งผลประโยชน์นะทั้งหมาทั้งแมวทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดเลยนะแต่ถ้าวันใดใจเราเข้าถึงนิพพานนะเราจะมีสันติสุขมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบอยู่ในตัวเองสดชื่นนะสดชื่นแกขนาดไหนก็ดูสดชื่นแต่ก่อนเยี่ยมครูบาอาจารย์ผู้เท่า ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยส่วนมากง่อมๆทั้งนั้ น, นอย่างหลวงปู่ดูลายุตั้งเก้าสิบกว่าสดชื่นหลวงปู่เทศก็เก้าสิบกว่าท่านก็สดชื่นนะอย่างอาจารย์มหาบัวท่านไปเรียนกับท่านท่านหกสิบกว่ายัางหนุ่มไม่ค่อยยังหนุ่มนะหกสิบกว่าแต่เราพระหรือลหลวงปู่เลียนในนี้นะท่านก็เก้าสิบได้มั้งเก้าสิบสี่ สดชื่นสดชื่นลงูท่อนนะนั่งรถเข็นนะแต่สดชื่นจิต ท, ที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้จิต ท, ที่ฝึกดีแล้วก็ฝึกอบรมสติอบรมปัญญาไปพอมันมีปัญญาแก่รอบจริงๆมันมีความสุขนะสุขอยู่ในตัวของมันเองมองออกไปหมู่เพื่อนทั้งหลายว่ามันจมเนความทุกข์เห็นมันดิ้นกระดอกกระเด็กกระดอกกระแด็กนะมันน่าสังเวชใจ บางคนยังพยายามออกจากกองทุกข์ก็ยังหน้าอนุโมทนานะบางคนมันหลงโลกมันหน้าสงสารหน้าสังเวชช่วยไม่ไหวไม่มีใครช่วยเราได้ต้องช่วยตัวเองต้องต่อสู้เอานะวิธีต่อสู้ไม่ใช่ไปสู้กับกิบกเลสอะไรหรอกวิธีต่อสู้ก็สู้กับความขี้เกียจขี้คลานสู้กับทิฐิมานะของตัวเองคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆรู้ไปเรื่อย ันเห็นความจริงของเขาแล้วก็ปล่อยวางได้เขาวางเองหน้าที่เราก็คอยรู้เท่านั้นแหละไม่ต้องคอยล ะ, ละไม่ต้องคอยบังคับควบคุมคอยรู้ไปเรื่อยๆพอเขาอิ่มเขาพอนะเ้าก็ตัดสินของเขาเองก็พ้นทุกไปวันนี้มีกลุ่มไหนมาเรียนไฟฟ้าไฟฟ้าไม่มีละเอาพวกอยู่วัดอยู่ไหนพวกอยู่วัดส่งกันบ้าน สองคนอยู่วัดแล้วหลราะเห็นแต่งข่าวนึกว่าชีพรามสำนักไหนอาว่าไปค่ะก็รู้สึกอะค่ะว่าจิตเนี่ยมันคอยจะไปคิดเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะทราบว่าเออเหมือนกับว่ามันบังคับไม่ได้จริงๆควบคุมไม่ได้แต่ใจยังไม่ยอมรับหรอกนะใจยังต่อสู้ดินน้นรนฝึกไปอีก ฝกจนกระทั่งใจยอมรับความจริงว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันบังคับไม่ได้รู้สึกไหมยังบังคับอยู่ขณะนี้กำลังบังคับอยู่เลยนะคอยรู้ไปนะรู้จนเห็นจริงเห็นจริ ง, รงแล้วเลิกบังคับไปเองเลย ก า, การนมัสการหลวงพ่อคะ่ะตั้งแต่ลินมาอยู่วัดก็รู้สึกว่ามีโอกาสภาวนามากขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวมากขึ้นนะคะในใ น, ในแต่ละช่วงเวลาค่ะทีนี้พอเวลาตามรู้จิตไปเรื่อยๆะคะ่ะก็จะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกสงบเฉยๆแล้วก็มีเผลอไปคิดบ้างเผลอไปออฟุ้งซ่านบ้างอะคะ่ะแต่ก็น้อยลงกว่าตอนที่ อยู่ในชีวิตประจําวันนะคะนี้บางบางจังหวะก็จะเผลอหลับค่ะก็ะะนะเผลอหลับค่ะเผลอหลับค่ะแล้วก็พอจิตมันรู้สึกว่ามันนิ่ ง, ง, งสงบสงบก็จะเผลอไปหลับนี่พอตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวว่าเมื่อกี้เผลอไปหลับแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวไปว่ามันอย่าเผล่บ่อยนะกระดูกกระดิกเว้ยค่ะก็เลยจะเปลี่ยนคือพอเผลอหลับบ่อยเข้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีแบบดูกายะะอ่ะค่ะวิธีเดินเออนั่นละ เคลื่อนไหวไว้นะตัวสำคัญก็คือให้รู้สึกตัวเนืองเนืองอย่าหลับไปอย่าเอาแต่เพ่งเอานะอย่าเผลอไปนานรู้สึกตัวหนึ่งเืองรู้สึกบ่อยๆเคลื่อนไหวไว้เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยดีกว่านั่งนิ่งๆ น, นะสังเกตไหมหลวงพ่อเคยชินในการปฏิบัติไหมหลวงพ่อจะกระตุกกระดิกตลอดเวลาหลวงพ่อไม่มีไม่มีนะไม่วางฟอม <laughs> กระตุกกระดิกไว้ กุกระดิกแว้แล้วก็รู้สึกกระดุกระดิกแว้ก็รู้สึกถึงภาวนาจนชนํชนานิชานาญแล้วมันก็กลายเป็นความเคยชินกระดุกระดิกไปเรื่อยๆก่อนไปเห็นหลวงปู่เทศหลวงพู่เทศท่านก็มีโต๊ะตัวหนึ่งกว้างกว่านี้หน่อยแล้วมีดอกไม้อย่างนี้แหละเวลาท่านเทศให้โยมฟังนะั้นท่านก็นั่งเคาะโตะไปเรื่อยๆเราก็นึกนะหลวงปู่ทุล่าอะไรหลวงปู่ก็ไม่มีทําไมหลวงปู่ต้องเคาะ ถ้าแก่เรารู้เองอ่ะชมพูตรงกันบ้านโมหะเยอะเจ้าค่ะแล้วก็มีโทสะเกลียดมันไหมเกลียดมันไหมโมหะเกลียดบ้างไม่เกลียดบ้างนั่นแหล ะ, ะมันมีโทสะแทรกะนะแล้วก็กาลังที่มันเข้าไปรู้สึกตัวเจ้าค่ะหลวงพ่อมันอ่อนมันอ่อนแรงอะค่ะอ่อนแรงทำความสงบเข้ามาบ้างนะ ทำความสงบอะไรไม่ได้ก็ฟังซีดีหลวงพ่อบ้างสนทนาธรรมะกับพักพวกบ้างอย่างเงี้ยใจมันจะเอร์ตขึ้นถ้าใจเราเฉยๆนะเราก็ต้องมีหมู่มีเพื่อนสนทนาธรรมแต่สนทนามากไม่ได้นะฟุง้งซ่านมีลุกศิษย์กลุ่มหนึ่งนะสนทนาธรรมทั้งวันเลยสนทนาไปสนทนามาไม่มีธรร ม, มะจะสนทนานะสนทนาเรื่องโลกโลกฟุ้งซ่าน เพราะงั้นเราต้องมีผัสสะที่ดีที่เอื้อมหน่วยนะมีหมูมีเพื่อนที่ดีสนใจธรรมะด้วยกันฟังธรรมะบ้างอ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยกระตุ้นมาวัดบ้างกระตุ้นไม่ให้ใจเฉื่อยในโลกนะชมพูชมพูอย่าไปคาดหวังว่าในโลกจะไม่มีความทุกข์ต้องยอมรับความจริงตัวนี้ว่าในโลกนี้มันมีความทุกข์ถ้าเราปฏิเสธมันเราจะทุกข์ไปด้วย ถ้าไม่ปฏิเสธมาแล้วก็ทำไปตามหน้าที่ร่างกายมันก็ทำงานไปตามหน้าที่ทำงานไปหากินไปมีปากก็พูดไปตามหน้าที่อย่างเงี้ยจิตใจก็คิดนึกปรุงแต่งไปตามหน้าที่แต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าในโลกมีแต่ความทุกข์ใจเราซับเฟอร์มันจะรู้สึกซับเฟอร์ขนมารู้สึกไหมฉนั้นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของโลก ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้โลกนี้พ้นจากความทุกข์ภาวนายัางไงโลกหรือขันก็ทุกอยู่นันแหละกระทั่งขันของพระละหันก็เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขแต่ว่าภาวนาจนใจเยาะเลียมรับความจริงขันมันทุกข์มัไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนเราอยู่บ้านเงี้ยบ้านมันพังนะบ้านมันเก่ามันรั่วอะไรเงี้ยบ้านมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเรากลุ่มใจหลงังคาเราเก่ารั่วอะไรเงี้ยเราลุ่มใจ ไม่ได้ทําให้หายรั่วอยู่กับโลกเหมือนกันโรคมันทุกข์เราไปหวังว่ามันจะสุขมันไม่หายทุกข์หรอกยิ่งทุกข์มากขึ้นกลุ้มใจะเห็นะอยูอย่กับปัจจุบันไปยอมรับความจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถึงมันจะไม่ดีไม่งามยังไงนะมันก็ชัว่วคราวงั้นเวลาที่เราท้อแท้ใจขึ้นมานะก็มองลงไปเลยทุ ความทุกข์ทั้งหลายนี้ชั่วคราวทั้งหมดแหละปรากฏการทั้งหลายทั้งบว่วงนี้ชั่วคราวทั้งหมดแหละบางคนมีความทุกข์ก็ดิ้นรนมากนะดิ้นรนแล้วก็แก้ปัญหาไม่ตกอนะไรเงี้ยมันก็รุ่มใจอยู่นั้นถ้าฉลาดสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ากระทั่งปัญหาทั้งหลายแหละนี่ก็ชั่วคราวเพราะว่าปัจจัยของปัญหาทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบางเรื่องนะเราทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็รอสิการรอนี่เป็นศิลปะชั้นสูงเลยนะ รู้จักรอถ้าทำสงครามแล้วรู้จักรอเนะไม่แพ้ไ ม, นะไม่แพ้ถ้าจะต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะแพ้อย่างรวดเร็วเลยผู้จะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าผู้ควรจะมีวินัยในการใช้ชีวิตมากยคะต้องมีนะต้องมีแต่ไม่ให้เครียดนะวินัยหมายถึงต้องแบ่งเวลาให้กับการปฏิบัติบ้างไม่ต้องเยอะหรอกสิบนาทีอะไรอย่างนี้ก็ยังดี คือที่ทาอยู่ทุกวันนี้ก็แบ่งวันหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่าๆมันยังไม่พอใช่ไหมไม่ใช่เราทำโดยตั้งทฤษฎีไว้ให้ให้ถูกซะก่อนนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้ดีนะไม่ใช่ปฏิบัติเอาสุขเอาสงบปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปางั้นแหละเพื่อบูชาครูบาอาจารย์อุษาสอนเราตนะั้งใจไว้แค่นี้แล้วปฏิบัติก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปสุขว่างทุกว้าง จิตเราก็ดีบ้างชั่วบ้างปฏิบัติ ด, ดูไปจนเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่นอกเหนือการบังคับไปเพื่อให้เห็นจริงตัว น, นี้ใจเรายอมรับความจริงนะโลกจะแตกใจเรายอมรับความจริงไม่ทุกข์หรอกร่างกายจะแตกลับจะตายแล้วใจ ย, ยอมรับความจริงก็ไม่ทุกข์หรอกหรือไม่สบายปวดหัวตัวร้อนปวดท้องใจ ย, ยอมรับความจริงนะมันก็ปวดแต่ร่างกายนะจิตมันไม่ทุกข์ฝึกไปเรื่อยจนจิตมัน ย, ยอมรับความจริง ธรรมะคือความจริงเนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่คนทั้งหลายปฏิเสธธรรมะตลอดเวลาเลยกระทั่งคนที่บอกเป่าวๆว่าอยากได้ธรรมะธรรมะแสดงความไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยมธรรมะบอกว่าเป็นทุกข์เราอยากให้มันสุขธรรมะบอกกายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เราอยากบังคับให้ได้ทำไงมันจะบังคับได้ทำไงมันจะถาวรสุขถาวรสงบถาวรดีถาวร ภาวนาแทบเป็นแทบตายนะเพื่อเอาของหลอกๆซึ่งไม่มีจริงดังั้นการภาวนาก็ล้มเหลวไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ภาวนาเอาอะไรสักอย่างนะไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีอะไรหรอกภาวนาดูความจริงไปถือว่าไม่ได้หวังผลด้วยถือว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าบูชาครูบาอาจารย์ทําแค่นั้นพอละทุกวันก็ปฏบบิบัติบูชาไปเรื่อยๆไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอา ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีความเพียรเราบูชาท่านก็เราก็มีความเพียรทำตามที่ท่านสอนเป็นการบูชาคำสอนของท่านท่านบอกว่าไม่ให้นิ่งนอนใจจมแช่อยู่กับกุศลที่ได้มาแล้วกุศลต้องเจริญเรื่อยๆไปเราก็ภาคเพียรรู้กายรู้ใจไปทุกครั้งที่เรามีสติขึ้นมาก็คือกุศลเจริญขึ้นละ เพาตัวสตินั่นแหละตัวกุศลงั้นเราก็มีกุศลบ่อยๆคือมีสติบ่อยๆค่อยฝึกไปเรื่อยนะทำไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อเอาอะไรไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวนะถ้าเอาคิดจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยชาตินี้จะไม่ได้เราไม่ได้เอากระทั่งมากผลนิพพานไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรกผลนิพพานได้มันบรรลุของมันเองเมื่อมันพอ มันเข้าใจโลกแล้วมันก็บรรู้เองพอบรรูุแล้วจะรู้เลยไม่ได้อะไรมาแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรไปภาวนาแทบตายนะหลายสิบปีหรือหลายหลายร้อยชาติหลายพันชาติเลยรเนี่ยแทบเป็นแทบตายเลยพอภาวนาไปถึงขีดสุดเรารู้เลยไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปทำไมไม่ได้อะไรมาเพราะสิ่งที่จะได้มาเนี่ยนะมันก็ยังเสียไปได้อีก สิ่งที่ได้มามีแต่ของปลุงแต่งพระราหันทั้งหลายไม่ได้ยินดีในของปลุ่งแต่งทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้เกลียดมันด้วยไม่ใช่ว่าจะได้อนโน้นได้อันนี้นะไม่ได้อะไรเพราะไม่เอาอะไรที่ไม่เอาอะไรเพราะรู้ความจริงว่าร้ ว, รวนแต่ไรสาระทั้งสิ้นเลยแล้วไม่ได้เสียอะไรไปนะกระทั่งอัตตาตัวตนก็ไม่ได้เสียไปเพราะมันไม่มีอัตตาตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในกายนี้ใจนี้ล้วนแต่ว่างเปล่าเราไปเห็นความจริงว่ามันว่างเปล่าเพราะงั้นเราไม่ได้เสียมันไปเพราะมันไม่ใช่ของเรามาแต่แรกแล้วเพราะงั้นภาวนาจนสุดขีดนะไม่ได้อะไรมาแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรไปแค่ได้เห็นความจริงได้อะไรความจริงคือได้เห็นสมาทิฐิได้สมาทิฐิเท่านั้นเป็นเนื้อแท้ของาศาสนาพุทธก็คือตัวสมาทิฐิตัวความจริงที่เราเข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสนั้น เราเข้าไปสัมผัสความจริงทองแท้นะจิตจะหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเลยโดยเฉพาะความยึดถือจิตความยึดถือจิตเป็นความยึดถือสุดท้ายเลยเนียวแน่นที่สุดความยึดถืออื่นๆนี่ยังรองลงมาอย่างแต่เดิมเรายึดถือทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมชื่อเสียงเกียรติยศนี่ยึดถือบางคนยอมเสียเกียรติก็เอาเงินไว้นไม่เป็นนายกก็ได้ขอให้รวยอะไรอย่างนี้นะ แต่บางคนก็กลับกันนะจนก็ได้แต่ขอให้มีเกียรตินยอมเสียบางอย่างไป ร, รักษาบางอย่างไว้แต่เสร็จแล้วพอตัวเองเจ็บป่วยนะเงินทองก็ไม่มีความหมายยอมเสียเงินให้หมอหลวงพ่อเคยเจอโยมคนหนึ่งสอนลูกบอกว่าอย่าเอาแต่ภาวนาต้องทํามาหากินนะไปเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งต้องเสียเงินตั้งล้านนึงเราฟังแล้วเรารู้เลยว่าเข้าโรงพยาบาลอะไร <c oughs> เข้าทีงต้องเป็นล้านล้าน <c oughs> นี่พอเจ็บป่วยขึ้นมาเห็นไหมเรารักตัวเองเรายอมเสียเงินแต่พอเจ็บมากๆแล้วนะเรายอมเสียร่างกายนะให้จิตใจมันมีความสุขให้มันพ้นทุกข์พ้ น, พ น, พนร้อนสักทีตัวที่เรายึดถือสุดๆเลยก็คือจิตนี้เอง<ม>ถ้าวันใดเราเห็นว่าจิตนี้แหละตัวทุกข์ล้นเลยนะเรายอมวางอันนี้เราจะไม่หยิบฉวยอะไรในโลกอีกละคืน คืนเจ้าของเดิมคืนขันห้าให้โลกไปสิ่งที่เหลืออยู่นะคืออิสระภาพที่แท้จริงเลยมีอิสระภาพที่แท้จริงทุกวันนี้ไม่อิสระเรามีพันธนาการมากมายมีภาระมากมายใช่ไที่เรามีภาระมากเพราะเรารักมันถ้าเราไม่รักในขันห้าเราก็ไม่ต้องมีภาระกับขันห้านี้๋ยาเรารู้ลงไปเห็นขันห้านี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแล้วมันไม่น่ารักนะ เห็นแจ้งขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ทุกข์ล้วนๆเลทุกเพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้เห็นแจ้งนะวางวา ง, วางความยึดถือจิตลงไปมันจะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกแต่ถ้ายังเห็นแจ้งไม่พอว่าจิตเป็นตัวทุกข์จะวางได้แวบๆเดี๋ยวก็จะไปหยิบอีกถ้าวางได้จริงๆนะไม่หยิบฉวยอะไรในโลกอีกมีแต่ความสุขล้วนๆเลยตอนนี้สุขเพราะอะไรเพราะหมดภาระแล้ว เรียกว่าจบกิจจบกิจนะหมดภาระที่จะต้องดิ้นรน ง, ง้นอยู่กับโลกนะชมพูอย่าหวังว่าโลกจะมีที่สิ้นสุดงานในโลกไม่เคยมีที่สิ้นสุดแต่งานทางธรรมคือการเรียนรู้โลกมีที่สิ้นสุดตัวโลกไม่มีที่สิ้นสุดหรอกทำอันนี้มาดีขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็เสื่อมไปอีกใช่อย่างสเราค้าขายทำบริษัทโอ้บริษัทเราติดตลาดลอันดับหนึ่งลใช่ ทำไปทำไปอันดับหนึ่งไม่รู้จะไปแข่งกับใครชักเฉย่ฉยเดี๋ยววันหนึ่งคนอื่นก็มาแข่งหรือบางประเทศมันมีกฎหมายบริษัทใหญ่ไปต้องผ่าให้เป็นบริษัทย่อยๆใ ช, ชนะแล้วนั้นก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อะไรเงี้ยหรือทํานาปีนี้ทํานานะปีหน้าก็ทํานาอีกงานในโลกไม่มีวันจบหรอกเงินโลกไม่มีที่สุดนะโลกหมุนไปเรื่อยๆวัฏะสงสารเลยไม่มีที่สิ้นสุดโลกไม่มีที่สิ้นสุด แต่งานทางธรรมงานทางธรรมคืองานอะไรคืองานเรียนรู้โลกเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่ใจอย่างเงี้ยเรียนรู้จนโล ก, เ ข, โลกลเข้าใจโลกแจ่มแจ้งนละเข้าใจโลกแจ่มแจ้งก็ปล่อยวางโลกไปโลกก็ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนั้นแหละแต่งานทางธรรมของเราสิ้นสุดแล้วเราเข้าใจโลกแจ่มแจ้งแล้วนั้นโลกจะเป็นไรเราไม่เดือดร้อนไม่กระทบกระทั่งกันแล้พร<ล>ะพุทธเจ้าเลยชื่อว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกไม่ใช่โลกทางภูม<ะ>ิศาสตร์น ะ, <ล>ะ บางคนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงรู้นะว่าจักรวานในโลกนี้มีทั้งไอ้ทั้งจักรวานมีโลกอยู่เท่าไหร่มีสัตว์มีชีวิตเท่าไหร่ไม่มีชีวิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าท่านอยากรู้ท่านก็อาจจะรู้นะแต่คําว่ารู้แจ้งโลกโลกกับวิถุรู้แจ้งในกายในใจในขันห้านี้สิ่งที่แล้วว่าโลกก็คือขันห้ารู้จีความจริงของกายรู้ความจริงของใจส่วนท่านหมดความยึดถือกายยึดถือใจ โลกที่หมดความยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่าโลกุตตะระโลกุตตะระแปลว่าอะไรแปลว่าเหนือโลกไม่ได้แปลว่าไม่มีโลกนะแปลว่าเหนือโลกโลกุตตะระคือเหนือโลกโลกก็อยู่ส่วนโลกนะทำก็อยู่ส่วนทำมันพ้นกันแต่ละไม่กระทบกระทั่งกันไม่ใช่โลกุตตะระโลกต้องหายไปพระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์เราเห็นมไหมโลกก็ยังอยู่ตรงเนี้ยท่านนิพพานไปแล้วโลกก็ยังอยู่ตรงนี้แหละ โลกไม่ได้หายไปไหนนี่เดี๋ยท่านพ้นโลกไปท่านอยู่เหนือโลกไปคล้ายๆเป็นดาวเทียมเปรียบเทียบนะคล้ายๆดาวเทียมนะมองย้อนลงมาที่โลกพายุในโลกกาลังปั่นป่วนเลยดาวเทียมไม่เกี่ยวกับโลกต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวกันไม่กระทบกระทั่งกันเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปเราก็ยังอยู่กับโลกแหละตัวเราก็อยู่กับโลกไปร่างกายของเราอยู่กับโลกไปความรู้สึกนึกคิดทํามาหากินไปอะไรอย่างนี้ย ใ, ใจเราห่างโลกออกไปเรื่อยๆหัดเจริญสติทีแรกก็รู้สึกไหมห่างโลกออกมาหน่อยหนึ่งแล้วเห็นไหมกายอยู่ห่างๆเห็นไหมเวทนาอยู่ห่างๆเห็นไหมกุศลากุศลอยู่ห่างๆนี่เริ่มห่างโลกออกมาแล้วนะอมแต่จิตนี้ยังแนบอยู่ดูแนบดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งนะจิตก็ห่างไปด้วยตรงที่จิตห่างไปด้วยนั่นแหละเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะ <c oughs> งั้นตอนนี้จิตยังไม่ห่างรู้สึกไหม จิตเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจิตเป็นศูนย์กลางของโลกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างขันขันทั้งหลายอยู่ห่างๆทั้งหมดเลยแต่จิตตัวนี้เป็นศูนย์กลางของปรากฏการ์ไม่ห่างมันอศัศจรรย์สุดๆเลยนะวันหนึ่งเนี่ยมันสลัด Hard. ตัวศูนย์กลางนี่ก็เด่นออกไปไม่มีศูนย์กลางเมื่อไม่มีศูนย์กลางไม่มีที่หมายไม่มีที่จุดไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีศูนย์กลาง มีแต่ธรรมล้วนๆเลยมีแต่ธรรมล้วนๆไม่ใช่ธรรมชาติด้วยมีแต่ธรรมล้วนๆธรรมชาติคือทรรที่เกิดๆดับๆคือโลกนั่นแหละเรียกว่าธรรมชาติสิ้นโลกเหลือธรรมเนี่ยที่หลวงปู่เทศบอกสิ้นโลกสลัดคืนโลกไปหมดละสิ้นไปแล้วจากจิตจากใจเราเหลือธรรมงั้นภาวนานณวันหนึ่งสิ้นโลกเหลือธรรมหลวงปู่เทศเขียนเรื่องนี้พอท่านเขียนเรื่องนี้เรารู้แล้วว่าท่านคงไม lonely, ่เขียนอะไรอีกละ พอสิ้นโลกเหลือธรรมแล้วนี่จะเขียนอะไรได้อีกนะบางคนพอได้อ่านธรรมะของท่านบอกสิ้นโลกเหลือธรรมเขตกใจแล้วว่าท่านจะทิ้งขันเนี่ยชอบคิดนะว่าครูบาอาจารย์จะทิ้งขันครูบาอาจารย์ไม่เคยเกลียดขันนะท่านไม่ได้รักขันแต่ก็ไม่ได้เกลียดขันนะทีท่านสอนธรรมะมาเราก็ชอบตีความว่าท่านจะทิ้งขัน น, ะนั้นอยู่กับโลกนะอย่าไปเกลียดมันเรียนรู้มันไปการที่โลกมีปัญหามากมายนั่นแหละดีแล้ว ทำให้เราเรียนรู้ความจริงได้เร็วหน่อยถ้าโลกเต็มไปด้วยความสุขเราจะเพลิดเพลินเงั้นพวกเทวดาภาวนายากใช่ไหมคุณมลเพราะมันเพลินมันทําบุญเพลินเพลิ น, ลนไม่ใช่ไม่ดีนะดีพระชอบทุกองค์แหละให้โยมกระยันทําบุญเถอะพระชอบ <c oughs> แต่เราทําไปแบบมีสติอย่างคุณมลเดี๋ยวนี้ก็มีสติจะทำไปเขาดูไปใช่ไหม ได้ทุกอย่างนะทานเขาก็ทําศีลเขาก็ทําปัญญาเขาก็เจริญไปด้วยอย่างนี้ดีเรียกว่าถึงพร้อมด้วยกุศลหรือทำกุศลถึงพร้อมหลวงพ่อเมื่อก่อนนะละเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องทําทานสนใจแต่ภาวนาแต่เดิมทําทานนะชอบทําหรือศีลทําทานพอมาภาวนานนะั้นลืมทุกอย่างเลยลุยลูกเดียวเลยวันหนึ่งไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงปู่ดุล เอ้ไข่ๆข่เาก็ใส่บาทเนี่ยเอาบ้างดีกว่าวันนั้นอุตส่าห์ลุกขึ้นมานะไปหาข้าวมาใส่บาทเราหุงข้าวไม่เป็นหรอกไปที่โรงครัวแหละนะเอาสตังค์ให้ให้เข้าวโรงครัวนะขอข้าวเข้ามาเนี่ยตั้งใจว่านี่แหละเราไปซื้อข้าวมาล้วเอามาดักใส่บาทพอใส่บาทปุ๊บพระท่านมองหน้านะหลวงพ่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนมองหน้าปุ๊บเอ้า ประโมดมาทำอะไรกับเขาด้วยมาใส่บาดกับเขาด้วยใจเรานะใจเรามันซื่อๆเราภาวนาเราไม่มีมั่ยานะก็บอกท่านไปตรงๆผมใส่เป็นกิริยาไปอย่างนั้นแหละจืดชืดสนิทเลยท่านบอกโอ้มันต้องให้ได้อย่างนี้สิไม่ใช่ใส่แล้วโอ้รื้มบุญเยอะบุญหลายบุญหลายเป็นแม่บุญหลายนะใส่แล้วก็ใจมันจืดทำไมใจมันจืด มันเหมือนเรากินอาหารพัตตะขานแล้วนะเนี่ยไปกินแบกกะดินเลยคลุกขี้ฝุ่นตกพื้นไปแล้วเอามากินที่เราเจิอบุญที่ใหญ่กว่าแล้วบุนอย่างเนี้ยรู้สึกเล็กๆแต่ต้องทํานะต้องทาเป็นเครื่องอาศัยบุญเล็กบุญน้อยอย่าละเลยทําไปเท่าที่ทําได้ไม่ใช่ทําจนหมดเนื้อหมดตัวหลวงพ่อก่อนจะบวชก็ชอบทําบุญนะเมื่อก่อนเนี้ยสองคนตายายขับรถไปที่สุพรรณมันมีน้ําพึ่งป่าถ้าจะดี ไปซื้อน้ำพึ่งป่าทีละลังสองลังนะซื้อมาแล้วก็ตะเวนถวายเรืยเดี๋ยวก็ไปสาวชิงช้าละซื้อผ้าไตรไปถวายเดี๋ยวก็ไปตามห้างนะซื้อน้ำกล่องๆถวายครูบาอาจารย์ตอนนี้กุศลให้ผลนะข้าวของมันท่วมวัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องทำต่อไปอีกแต่ละปีแต่ละปีนี่นะส่งของไปวัดทางอีสานะ ไม่รู้เท่าไหร่คิดไม่ถูกอะส่งไปก็เป็นล้านล้านละที่โยมเอามาให้มันเกินกว่าที่หลวงพ่อใช้แล้วส่งไปช่วยคนที่เขาไม่มีถามว่าทำด้วยปรับรื้มอะไรบ่างเฉยๆฉยทุกวันนี้สิ่งที่หลวงพ่อปรับรื้มมีอันเดียวมีลูกศิษย์ที่ปฏิบัติบูบชามีลูกศิษย์ที่ขยันภาวนานะอกนั้นไม่ได้ทาให้เรารื้มสักอย่างเลยเฉยฉย เพราะนั้นขยันนะขยันภาวนาครับนี่พูดเนี่ยวกไปวกมาเห็นไหมกลับมาลงตรงนี้บอกให้ขยันเข้าไว้นะตอนเริ่มตน้นเห็นไหมตอนเริ่มพูดวันนี้พูดเรื่องว่าขยันเขานะาพักเพียรปฏิบัติเข้านะพูดไปเรื่องอื่นตั้งหลายเรื่องหลายสิบเรื่องแล้วพกกลับมาเรื่องเดิมว่าขยันไว้นะขยันไว้คือไม่ประมาทนั่นเองเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทลงท้ายด้วยความไม่ประมาทนะอย่าประมาทนะ แปดโมงพอดีเป๊ะเลยเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ